ของกวนกราญยิ่งเป็นสัตว์ป่าที่ถูกปืนได้แล้วอะไรความน่ามันน่ะเป็นปัดเป็นผิดไปทั้งนั้นเห็นลักษณะของเสือที่ให้ขึ้นลักษณะของเสือที่ถูกปืนไปอย่างนั้นอะไรความน่าพอจะกลับก็ผิดไม่ค่อยเป็นอิริยาบถไตร่แฝงอะไร มันรับความทุกข์มันบีบบังคับติดกันอุบายวิธีต่างๆที่แสดงออกในเวลาเจ็บปวดเสียร้อนมากๆทั้งนั้นมันไม่ได้ออกเลยความทุกข์ก็ออกเพราะเรื่องของความทุกข์ผลักดันให้ทําทําให้สงสัยมึงในความเจ็บปวด 2 ในความ เด็ดแท้ไม่ใครจะค้นทำได้สิ่งที่ตั้งใจที่สุดก็คือดูแลว่าศักดิ์มนุษย์เป็นผู้ทำจิตใจที่ได้รับความทุกข์เดือดร้อนความในเราก็ย่อมเป็นเพียงนั้นคนที่มีความทุกข์มากย่อมไม่ค่อยจะมีโอกาสใคร่ควรดูผลดับทำดีชั่วกรรมนั้นที่เกิดอนาณและแก้ไขกลบเกลื่อนไปตาม เหตุการณ์ที่ควรแต่จะทําจะคิดจะพูดอะไรบ้างแสดงออกเพื่อให้เป็นความสนใจด้วยอํานาจของความครุ้มนั้นกระดั่นออกมาให้ทําเช่นนั้นถ้าพูดหรือไม่คิดเช่นนั้นอีกเป็นลําดับหนึ่งแล้วหน้าที่กล่าวมาทั้งนี้ไม่ใช่ถูกเส้นทางที่จะยัง <c oughs> บุคคลให้มีความกระโดงลื่นเรียงไปเรื่อยๆแต่จะเป็นทางสายะนะเป็นลําดับลําดับเป็นถึงความสายะที่แก้ไขไม่ได้สิ่งที่ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นคือเหตุผลเป็นสิ่งสําคัญการปกครองตรงการปกครองผู้อื่นต้องหลักเหตุผลเป็นสิ่งสําคัญครับ อาตมาก็จักปกป้องคุณน้องขอก็ไม่เคารพจําเป็นปกครองคนเข้าไปไม่หรอกปกป้องให้ดีมึงน่ะหลักธรรมความปฏิบัติจริงคือเนี่ยผมเป็นเครื่องปกป้องครูปฏิบัติธรรมต้องถือเหตุผลประจําใจเป็นหนึ่ง ความความอยากนั้นถือเป็นกำลังไม่มากแน่น้ําในมหาสมุทรยังมีเวลาขึ้นเวลาลดลงแต่ความอยากขึ้นขุดออกมาจากที่เกิดสัมพันธ์ไม่มีเวลายกยอกลงเหมือนกันต่อไปได้ทีอ่ะ ไม่ยังไม่มีวันคืนปีเดือนอับกรรมของผมไม่ก็ได้เท่านั้นขอแต่มีที่ให้ใหม่ลักษณะของใจจะจําเป็นเพียงนั้นเหมือนกันถ้ามีเรื่องติดต่อก็จะให้คิดให้ด้วยความยากให้มีอิงกับดันออกมาจากอันไหนได้แล้วจิตภาพจิตโดยในคําในว่าเป็นอย่างรํารําคืน เดี๋ยวกําลังทํางานด้วยทําอะไรอยู่งูความก่วงขึ้นบ้านตลาดนี่ล่ะอ่าความคิดเฉพาะที่หือนแรงฝังที่ไกลทําให้คิดออกมาแล้วแน่นอนน่ะก็ยังต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นน่ะดิคงคือถึงอ๋อเมื่อเคยฟังกับต่างๆแล้วอ๋ออะ <ม. S 1> ที่กรรมทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่แสดงออกคู่ความขัดอยู่แล้วอนัตเป็นเหมือนกับธนบคั่นน้อมที่เหล็ดคำหาซึ่งไม่มีสันดุจยอดนี้ให้ยกยาบลงไปได้และหยัดแค่นิ่งไปเลยไม่มีเหลือข้าคุณผู้สนใจ มันมาปฏิบัติฝึกท่านตนเองธรรมหลักบุคคลที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนไว้แม้จะมีความเต็มลุ่มเรื่องจุดๆจุดแดนก็ต้องมีความเต็มลุ่มเรื่องตามฐานะของตนที่มีธรรมฐานอยู่จักให้เสียขนนั้นเป็นไม่เฉพาะอย่างหนึ่งถึงเราเป็นนักบวชด้วยแล้ว องค์ภูกำลังเหตุผลทั้งนั้นไม่ว่าจะดื่มไม่ว่าจะถันเพราะว่าจะไปจะมาไม่ว่าจะเป็นจิตนอกการไหนเกี่ยวข้องกับใครก็ตามเรื่องเรื่องอะไรก็ตามต้องให้มีหลักเหตุผลซึ่งออกจากความแค่ควรที่เรียกว่าปัญญาสมัยเดินตามกันไปกับเรื่องราวนั้นนั่น ภาวะติกับปัญญาได้เดินตามเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆแล้วจะไม่ผิดพลาดจะไม่ทําให้เสียหวั่นจะไม่ทําให้เดือดร้อนของตนและผู้อื่นแต่จะเป็นไปด้วยความสงบเสมอราบรื่นแม้เป็นที่คึงคอกันแก่เป็นณผู้อื่นความตั้งมั่นตน จะตะง่วนเฉยๆโดยไม่ได้ยินยึกหย่นก็จะเป็นการเหยียบย่ําตนลงโดยไม่รู้ตัวตามธรรมชาติของความตะง่วนตนนี้ไม่มีอยู่เพียงภาคมนุษย์ของเราแม้แต่กฎดินฐานทุกๆประเภทเค้าก็มีการตะง่วนตนของของมันอ่ะคนโง่คนฉลาดคนมีคนจน มีการสงบตนทั้งนั้นแต่อุบายวิธีที่จะให้ถูกต้องตามความสงบตนนั้นน่ะเราจะปฏิบัติต่อตนเองอย่างไรห่มเต็มเรือนห่มทั้งฮะพัฒนาคนเราที่ทําอะไรคิดขาดลงไปอันสร้างที่ตนมุ่งหวังความสุขความเจริญแล้วนําสิ่งนั้นๆเข้ามา เพื่อบำรุงตนซึ่งเป็นหลักใหญ่ของการที่มีความสงบแต่ก็ทําให้ทราบลงไปเลยที่ก็ความไม่รอบนั่นแหละคนคือเห็นแต่แต่เพียงได้ทานเดียวไม่ได้คิดถึงความจากตอนเสียหาจะตามมาทีหลังมาคิดดูมัน กาที่กินเด็ดแม่ปลาด้วยเด็ดนั้นมีจํานวนมากน้อยอามัปตาไม่ใช่ว่าจะปลาด้วยเด็ดเสียทุกตัวบางส่วนอาศัยอาหารจากเด็ดเลี้ยงชีวิตให้เป็นไปได้เลยปลาประเภทนี้คือปลาที่ขนาดไม่กินเด็ดแต่กินพวกเหดือที่ติดอยู่กับเด็ดเท่านั้น กับตาโง่นั้นจะคืนไปหมดอันเดียทั้งเด็กเดียที่ถูกคืนเข้าไปแทนที่จะเป็นทหารบำรุงร่างกายของจากจักไม่ทราบเรื่องกันไปเลยผลที่ปรากฏพรสภาพที่ให้ถึงกาถนาก็คือความเจ็บปวดแสบร้อนที่เกิดขึ้นจากเด็ดเกาะปากนี่ก็ทําไม่รับออกเป็นอย่างนี้ มีอะไรแล้วมีอะไรปรากฏบ้างปราเลยครับไม่เป็นภาคสุขังเป็นภาคที่ 1 นอกจากนี้จะความเจ็บปวดแสบร้อนถ้าถูกเดาะเกาะเท่านั้นมีอะไรเล่าเป็นปราอะไรเล่าเป็นเดื่อถึงคือมาเกี่ยวข้องกับสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจข้าผู้มีสติปัญญาจะเป็นโอชาโร นั้นจากสิ่งที่มาสัมผัสไม่เป็นนํามาพิจารณาเป็นอัตเป็นธรรมดาเท่านั้นแต่ทําให้ท่าเหตุผลอุบายเป็นเครื่องพิจารณากอดให้ตามความอยากอยากเห็นอยากฟังอยากดมอยากสัมผัสถูกต้องอยากคิดอยากตรุงปรังกันเพียงเท่านั้นนั่นเลย เป็นทางที่ร่อแหลมต่อเบ็ดทุกข์ก็มาธรรมเบ็ดก็คือความทุกข์เหยื่อก็คือเรื่องของสมมุททสมุทรไทยต้องทวนเสมอทวนให้คิดเคลื่อนเบ็ดคือคิดเรื่องทุกข์เบ็ดนั้นหมาที่เรื่องทุกข์ทวนให้พูดทวนให้สนใจในการเห็นการได้ยิน การสัมผัสท่านคิดการตรุงทางแตกต่างกันมาทั้งเป็นเรื่องอดีตทั้งเป็นเรื่องอนาคตเป็นเรื่องที่ชวนให้คิดให้ตรุงไปเรื่อยๆเพื่อแบบถึงเรื่องของทุกข์มาเผารนติดกันอือเป็นเรื่องของเหยื่อและเป็นเรื่องของเบ็ดทั้งนั้นที่ความมีตัญญาใครควร ดูในสิ่งที่จะควรเห็นควรฟังควรคิดควรดื่มควรถันหรือควรรับผาควรสัมผัสทุกอย่างควรจะคิดมาเป็นอารมณ์ภาระโดยปัญญาเป็นผู้นําทางครับคุณอันนี้ก็กลายเป็นโอกาสรถคือกับธรรมธรรมความความประโยชน์ต่างเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้เป็นลําดับไปดูในโลก เอ่อมาดึกโลกก็คือเรื่องนี้แหละเราจะหนีจากโลกนี้จะหนีไปไหนเพราะเราก็เป็นโลกคนหนึ่งเหมือนกันไม่ใช่นี้แต่โลกนอกตัวเราไม่ใช่โลกโลกนอกกับโลกของเรานี้ท่านเรียกว่าโลกอันเดียวกันอยู่ในแหล่งแห่งโลกนี้เหมือนกันพอหนีจากโลกก็จะหนีไปไหนถ้าเราไม่หนีจาก ตัวของเราได้เราก็หนีจากโลกไม่ได้เพราะโลกคือขันธ์ 5 ธาตุ 4 ข้างนอกก็มีข้างในก็มีแม้ข้างนอกข้างในก็ยังติดตามเราได้มีเหี้ยนี้จากข้างนอกข้างในก็ติดตามกันไปถ้าธาตุขันธ์ทั้งหมดนั้นขันธ์ทั้ง 5 ธาตุ 4 ของเราถ้าไม่หนีเกลี้ยงด้วยอุบายปัญญา จารณาสิ่งภายนอกเรียกว่าโลกภายนอกจารณาสิ่งภายในคือโลกภายในภาคขันธ์ภายในให้เห็นตามหลักธรรมโดยทางปัญญาโบที่ไหนก็พอปฏิบัติต่อกันกับโลกอยู่กับโลกก็โลกก็มันทําให้เหือดร้อนเพราะคนไม่เกี่ยวข้องไม่ตัวไม่เอาเรื่องราวเอาเรื่องของโลกเข้ามาเผาใจ ดูข้อมีหลักธรรมเป็นอย่างงี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้รับสัมผัสนะจากทางไหนก็ตามต้องให้มอบให้เรื่องของสติเครื่องของปัญญาเป็นคู่วิภาคในการพิจารณากลั่นกลองดูเรียบร้อยแล้วค่อยหยิบไว้สําหรับเป็นปริจัติสติรู้เก็บไว้สําหรับเป็นปริจัติจักขุต่อไปถ้าเห็นว่าไม่ควร เนี่ยก็อยากแสนอยากก็เลยผลักดันออกไปด้วยอุบายของปัญญาคือหลักเสร็จผลทันทีไม่ปืนไม่ปืนดื่มไม่ปืนรับผานไม่ปืนดูไม่ปืนฟังไม่ปืนสัมผัสไม่ปืนคิดตัดนี่คือว่าผู้ปกครองกันเป็นแท้โดยธรรมถ้านอกจากนี้แล้วเป็น คือเสียงไทยการเรียนรู้มากน้อยไม่สําคัญเพราะทํามาเรียนนั้นน่ะเรียนด้วยกันทุกคนทางตาเห็นข้อเป็นอันรู้ดึกเข้าถึงกันหูฟังก็เป็นอันรับถึงถึงกันอันใดมาสัมผัสทางใดทุกส่วนก็ต้องอย่างเข้าถึงกันเกิดความรู้ขึ้นมาคือว่าเป็นการฝึกหาการเล่าเรียนด้วยกันเท่านั้นแต่จะมีปฏิปัญญา ไกรกลางเอาตามสิ่งที่มาสัมผัสดับรู้นั้นถ้าเกิดประโยชน์หรือความความที่หาอย่างใดหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นผู้ศึกษามากน้อยทําตัวให้ล่มจมจึงมีจํานวนไม่น้อยดาดเดินในโลกเหล่านี้เพราะอักธรรมคือเครื่องดับยั้งขั้นตัวสติปัญญาเป็นเครื่องกํากรองให้เห็นควรไม่ควรก่อนแล้วค่อยทําไปหรือค่อยยึดไว้ นี่น่ะเนาะครับชีวิตภาคเคยอยู่ในกรอบของเหตุผลแล้วจะไม่ฝืนไปถ้าใครเลยเถิดเสมอไม่เคยสนใจในเรื่องหลักเหตุผลที่จะปกครองคนแล้วอะไรก็ต้องเป็นตามกรรมความคิดความอยากเท่านั้นคนนั้นก็ไม่มีแผ่นสําหรับเด็ก <c oughs> หลายตะเลเปิดเปิร์นตามลําคองทั้งหมดพอฝนผ่าผ้าน้ําก็ขัดลําคองไม่มีเหลือพอมีที่เก็บไว้บ้างฝนตกก็ตกลงไปเมื่อฝนหยุดน้ําก็ยังมีที่ถังงูกับตัวให้เที่ยงอยู่คนกระแสของความคิดคิด รูปความอยากเป็นเครื่องขัดขวางต่อนั้นจะมีจะหลายลงต่ําถ้าเดียวเท่านั้นโดยไม่มีการดับยันรู้จุดได้แม้แต่ขณะพอไม่ท่าปัญญาพิจารณาไก่กรองดูไม่เห็นเหตุผลยังดับยันตนไว้ด้วยเหตุผลแม้จะอยากก็ไม่ยอมผืนจนจิตมีความใคร่ครืนต่อเหตุผล พอไปไหนก็มีหลักเหตุผลเป็นเครื่องปกครองตนเสมอไม่ค่อยเสียหรือไม่เสียพอปล่อยเลยกันเลยว่าจะเรียนรู้มากน้อยเท่าไหร่ไม่เป็นปัญหาทั้งนั้นเพราะความเตือนเผียนั้นไม่ขึ้นอยู่กับความรู้แต่ขึ้นอยู่กับภาคปฏิบัติของผู้จะทําตนให้เจริญนั้นมืออุบายวิธีที่สําคัญแต่ แค่แต่ผลึกให้เกิดประโยชน์แก่คนแค่ทำลงไปเท่านั้นนี่เป็นสิ่งที่รับรองความปลอดภัยแต่เพียงความรู้จะเอามาอวดอ้างกันนี้เถิดว่าเรามีความรู้เพียงเท่านี้มันไม่ได้เอาไปใช้นําไปใช้ประโยชน์ไม่เกิดผลอะไรเลยเหมือนอย่างเครื่องมือของเราจะมีอยู่เต็มบ้านเต็มเรือนก็ตามเมื่อนําไปใช้ประโยชน์มันก็เป็นเครื่องมืออยู่อย่างนั้นหาไม่เกิดสิ่งอะไรฮะแต่เรามา พอนําไปใช้เราจะมี 2 ขั้น 3 ขั้นก็ตามเครื่องมือแต่ถ้าให้ผลประโยชน์ก็เกิดขึ้นมาตามฐานะของคนและเครื่องมือที่มีอยู่มากน้อยผู้วัดธรรมะก็เหมือนกันที่ได้ศึกษาเรียนมามากน้อยนําไปปฏิบัติก็จะเกิดผลประโยชน์แก่คนทั้งนั้นเหมือนกันเรียนมามากแต่ไม่ได้ถึงภายหรือไม่ได้ผลการธรรมะเลยจะเดินทางไหนก็ตามแต่เป็นผู้เรียนมากที่สามารถหากไม่ได้สนใจในหลักการปกครองตนเองอย่างนี้มีทางที่จะเสีย hại ตัวเดียวกันผลประโยชน์ไม่เกิด บุ๋งก็พระจิตใจได้แล้วต้องอาศัยเหตุผลเป็นสิ่งสําคัญในการปฏิบัติต่อตนเองไม่ต้องพูดถึงเรื่องสิ่งภายนอกอะไรมากพูดแต่เรื่องของใจที่แสดงออกเกี่ยวกับสิ่งภายนอกเป็นอย่างไรบ้างการสุขทรภพประมาณตนเองทําอย่างไรได้ผลแค่ไหนต้องสังเกตเสมอได้นี้ถ้าได้พยายามฟังเข้าสู่ภายในกายคตาสติที่เรียกว่าองค์แห่งอริยสัจมีอยู่ที่นี่แล้ว ว่าไม่เป็นอย่างอื่นขึ้นมาถึงทุกข์กับทุกข์เพื่อสุขคุกกับทุกข์ในการทํางานแต่ผลคือความสุขต้องความสงบสุขของใจจะต้องแสดงตัวออกมาครับใจของเราได้หยั่งเข้าสู่การระทาซึ่งเป็นรากฐานปัจจุบันอันเป็นที่ตั้งของสติปัญญาได้เลยจะไม่แสดงผลอย่างอื่นขึ้นมาคือความทุกข์ร้อนต่างๆที่จะเพิ่มพูนที่เหล็กขึ้นมาที่ใจไม่เพียงความทุกข์ในทางร่างกายมันมีบ้างเป็นธรรมดา แต่ถ้าสังสมกิเลสขึ้นมาภายในใจนั้นจะเป็นภาระขอให้พิจารณาตามให้ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าในองค์ 3 ฌานสภาวะนั้นแยกเย็นผู้เคยจะได้ฟังหลายครั้งแล้วการละกากติพิจารณาลงเลยจึงเป็นการละทั้งหมดผู้รู้สึกทุกข์อยู่ภายในร่างกายของตัวเองนี้ก็จัดว่าเป็นเป็นท่านอย่างเงี้ย ความยากคายที่จะขยายออกไปในวงกว้างวงแคบแต่ตามแต่สติปัญญาของตัวมันเป็นการให้ตาเป็นชั้นๆพบว่าหน้าตาจะสิ้นสุดได้ในเมื่อจิตได้ผ่านการสังเกตการลงไปโดยไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในกายเนื่องจากความพอของสติปัญญาความโมหมงั้นปล่อยวางรู้เข้าผู้ได้งั้น การภิกษุจะจะหมดปัญหาในระยะนี้ระยะนี้จากการบําเพ็ญนอกจากจะเป็นนิหาสธรรมในวาระสุดท้ายเท่านั้นส่วนเป็นนิหาสธรรมในวาระสุดท้ายนั้นจะแยกกันนี้นับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงภาวะองค์สุดท้ายที่จะทํามรรคปฏิปันคือการบําเพ็ญเพื่อกรรมอยู่สะดวกสะบายในระหว่างหันกับปัจจุบันพระพุทธเจ้าละถาม จะลดละเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์นี้ไม่ได้หรอกแต่พิจารณาเพื่อเป็นนิยามธรรมเท่านั้นไม่มีความมุ่งหมายที่จะวิจารณ์ต่อต้านทีละอุปทานที่ยึดมั่นถือมั่นในภาค 4 คือกองการวิพากษ์วิจารณ์แต่อย่างแบบนั่นเป็นความจําเป็นขั้นหนึ่งต่อเหตุจากขั้นของการมาคือเป็นความจําเป็นสําหรับเป็นนิยามธรรมของพระพุทธเจ้าท่านฤสตุธูมรรคผลเป็นความจําเป็นประเภทนั้นแต่เป็นความ การจะเป็นของพวกเราท่านๆทั้งหลายซึ่งมีอุปทานเป็นติดเป็นไกลเกี่ยวกับตานี้เป็นความจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องพิจารณาเพื่อถอดถอนอุปทานเนื่องจากความหวงแย้งในส่วนร่างกายทุกส่วนแนวถอนตัวกันนี่เป็นความจําเป็นทางอ่ะเอาใหม่กันอยู่ถ้าจิตได้อย่างเข้าสู่ที่ที่มีด้วยความรู้สึกตัวอยู่สมองเอาใหม่กันเลย <ม. S 1> นี่ผมแปลกใจมากเหมือนกันท่านนักปฏิบัติถ้าจิตยังพะสูจิณแล้วไม่ปรากฏผลผมว่ายังเค้าที่เหลือคลุออกไปที่อื่นนี้ขณะเดียวเท่านั้นที่ฟังเราที่บายพอจะเป็นการทักทักทิได้ในขณะต่อไปนั้นนี้เห็นว่าจะต้องเปิดเผยไปร่วมกับกองสมุทรไทยทั้งสิ้นจึงได้สั่งสมแต่ทุกขึ้นมาให้เราแล้วก็มาหามาภาวนากายตปารติ ผลไม่ได้ปรากฏเลยนะส่วนไปเป็นคู่สังคมสมุนไทในขณะที่ภาวนากายสภาวะสิทธิ์โดยเจ้าตัวไม่รู้มันมีกันนอนมากเท่าไหร่นั้นไม่รู้ติดนี่น่ะผลจริงไม่ปรากฏในทางที่ปรารถนาแต่มันปรากฏตรงกันข้ามคือสิทธิ์ที่ต้องการเนี่ยจากดิบมันเล็ดรอดออกไปอย่างนั้นแหละ อ่าการพรรณนาสึกขัยเอาหนักเท่าไหร่ก็ให้ให้รู้จะการเคาะประกาศทั้งวิทยุให้ถึงก็ให้รู้ก็พูดสึกพรรณนาสึกขัยในตรงนั้นยังไม่เคยเห็นวัดความจริงก็มีอยู่ที่นี่จริงๆไม่อยู่ที่นี่คงพูดกรรมกรรมณีจํานวนหน้าเท่าไหร่แล้วเราก็ชอบห้องขนที่เป็นเครื่องประกอบแทนเรา <ม. S 1> ความท้อมันจึงถือเป็นตัวเรื่องความทุกข์ขึ้นเพราะท้อในทางที่ผิดในทางที่ไม่ถูกความทุกข์เป็นสิ่งที่เมื่อทุนจากขนะก็ต้องแสดงตัวขึ้นมาเพราะเห็นเป็นทางที่ไม่ถูกแล้วผลจะเป็นทางที่ถูกท้อกันเป็นที่ถึงใจได้งงปฏิบัติต้องเป็นผู้กล้าหาญ อย่านำเมื่ออดีตที่ได้บําเพ็ญมาแล้วทั้งระหว่างนี้มีความลําบากลําบนวันนี้พิจารณาอยู่วันนี้กําหนดวันนี้ก็ลําบากลําบนถ้าอย่างนี้จะดูกัดต่อตนเองบําเพ็ญมาเท่าไหร่ก็ผ่านมาแล้วมีความความเสื่อมเสียหายหรือมีความโหกเขาบปัญญามาเท่าไหร่ไม่ต้องไปทํานึกในขณะที่ทําถ้าเห็นทุกข์ในปัจจุบันที่แสดงตัวขึ้นมาอย่าไปลื้อเรื่องทุกข์ที่ในอดีตขึ้นมาเพิ่มพูนความทุกข์ในปัจจุบัน จะตามเป็นเรื่องสมุทัยเนี่ยถ้า 50 เต็มแล้วจะถอนความความยังดันได้การจึงขึ้นพอออกมาแล้วค่อยหลังไปในรอบหลักปัจจุบันเป็นสิ่งสําคัญหน้าที่ยืนเดียวที่จะพิจารณาจิตให้รู้เรื่องกระแสของจิตกระแสของตัวอัตตะด้วยกับปริตปัญญาทั้งนั้น เป็นเครื่องกำกับให้รู้ทำไมจะไม่รู้นี่คือศักยภาพเต็มกำลังของตัวเองเวลามันพลิกกว่าไม่มีอะไรจะเทียบเวลาสงบกับมาด้วยอุปาต่างๆของเราที่เข้มแข็งท่านทํากันดีมันก็รู้สึกว่าเป็นของอัศจรรย์ยิ่งกว่านายบางตามบางเวลานี่มาทุกท่านเริ่มเนี่ยเป็น ลงกำลังหนักบ้างมาอย่างนั้นไม่พอมันคะนองมากเราต้องฝึกอามากันให้หนักเหมือนอย่างตัดตัวคะนองให้ทําค่อยๆบ่าวมือมันไม่ได้เดี๋ยวถ้าเป็นพายก็เป็นวากก็คนตัวเองถึกไปให้พลาดเจ้าของของปากขอให้หนักมือหุบรู้สึกที่มันกําลังแสดงตัวในลักษณะ ต้องตัดตัวขนองทั้งนั้นก็ต้องทําให้หนักหูดังทําให้ดีและเกราะของธรรมะไม่มีอะไรเสียหายตามบังคับตัวเองจะเป็นทุกข์ก็ทุกข์เพื่อสุขมาจากทุกข์เพื่อเพิ่มทุกข์ขึ้นไปในทางนั้นคุกความตายจริงแต่เพิ่มความทุกข์ขึ้นในทางนั้นความทุกข์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันขณะที่เราทําความเพียรนี้กับความทุกข์ที่ผ่านมาแล้วถือแน่นอน เนี่ยก็เป็นความทุกข์ต่อไปข้างหน้ามีเท่าไหร่อะไรจะมากกว่ากันอดีตผ่านมาแล้วเท่าไหร่แล้วอนาคตที่เป็นไปข้างหน้านั้นเท่าไหร่กับปัจจุบันคือการประกอบความเพียรเป็นทุกข์อยู่ณอยู่ณบัดนี้มีจํานวนมากเท่าไหร่ลองเอามาเทียบกันดูไหนจะเหลือเยเรนอนหาที่ยึดที่หลักปฏิจจสมุปบาทให้ตกลงไม่ได้มีอย่างนี้ณปัจจุบันต้องนํามาทั้งตัว พอเมื่อตั้งตัวไม่เสร็จตามเหตุผลตามเหตุผลแล้วมันข้างหน้าก็กับข้างหลังมัน 2 แล้วว่าไงปัจจุบันมีเพียงอันเดียวทําไมจะได้สู้แล 2 อย่างได้ครับเพียงเราจะทนความทุกข์ความทรมานในขณะที่ทําการเพียรนี้เท่านี้ก็ไม่ได้แล้วไหนเราจะไปสามารถทนความทุกข์ความทรมานในอนาคตซึ่งจะมีมามนุษย์กี่ฉักฉีกกันในตัวของเราคนเดียวซึ่งจะเป็นผู้แบกทุกข์ทุกข์ตลอดเวลา ก่อนเป็นอดีตผ่านมาแล้วก็ภาคออกมาแล้วทำตรงในระยะนี้กับทำตรงที่ข้างหน้านานเท่าไหร่มากเท่าไหร่ทําไมเราจะอาฆาตต่อสู้อดทนต่อสู้ด้วยไม่มีเหตุมีผลอะไรเลยมีอย่างเลยทั้งๆที่เราก็ทรงธรรมะของพระพุทธเจ้าอันเป็นหลักเหตุผลรํวนอยู่ในตัวของเราทําไมเราจะเป็นผู้ถอยหลังต่อการประพฤติปฏิบัติกําจัดสิ่งที่จะให้เกิดความทุกข์กุมทนในจิตใจและความทุกข์ที่มีอยู่หน้าให้หมดทั้ง อาจจะคนไม่ได้การเคารพค่าตึกถ้าไม่ตายฮะขอให้ได้ชัยชนะนี่เป็นหลักของนักรบในสงครามเป็นหนึ่งฮะผู้ต้องความระวังยี่หร่าสติก็ต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันเพียงสงครามภารกิจเอาไม่ตายให้ชนะพอแล้วจะไม่ต้องกลับมาเกิดแบบคองคุกอีกต่อไป อาจกล่าวว่าการชนะตนนั่นแหละเป็นประเสริฐสุดเราเคยชนะคนมั้ยเราถ้าเราอยากเป็นผู้ประเสริฐสุดเราได้ทําคําเตือนเพื่อชนะตนได้สักกี่ประโยคแต่เคยแพ้คนมากี่ครั้งกี่หนแล้วควรจะนํามาทดสอบกันดูถ้าเราเป็นนักเค้ากินจริงเพื่อหวังความสุขความเจริญและความประเสริฐจริงภายในกรอบของธรรมะของพระพุทธเจ้าจริงควรคิดให้ดีเราจะเอาความโง่เขลาว่าปัญญาความที่เสียดที่ค้านทําหมดแล้วเข้ามาเป็นเจ้าเรือนบังคับทํา อันดีพวกเราหาเต็มหมดยังกะกดอยู่ทั้งสะพานท่อๆแอร์ความเห็นแสบปากแสบท้องถึงจะหลับจะนอนอยู่พาณิชย์ขนแยงเข้าไปก็ไม่มีที่ที่จะเดินมันเต็มไปด้วยที่เรียกเฉพาะเหล่านี้ทั้งนั้นอมตะมันหยอดลงที่ไหนเมื่อมันมีกะตึงอันนี้ปิดกั้นทั้งหมดแล้วถ้าเป็นหม้อความความผากลงเอาก้นขึ้นเอาน้ํามหาสมุทรมาเทมันก็ไหลทิ้งไปหมดไม่มีอะไรจะค้างอยู่ในหม้อ โลกที่ถูกข้ามไอ้นั้นครับดังเราทําให้ข้ามจากธรรมะเนี่ยก็ต้องเป็นเพียงนั้นโมฆะบุคคลก็คือคนประเภทนี้โมฆะแต่ตัวเราก็คือเราซึ่งทําตัวให้เป็นประเภทที่ตามนี้เราต้องเอามาคิดอย่างการศึกษาอบรมหรือการฝึกทรมานตนก็หาบาปวิบีต่างๆติดต่อการดุด่าว่ากล่าวการฝึกตนนั้นน่ะจะมาบ้างไม่มีอะไรเสียหายไม่มี มีการจะกระเตือนถึงใจให้เกิดความเสียแคลนไม่เหมือนบุคคลอื่นที่มาพูดธรรมานฤดูกาลภาษาเรามันคิดกันทั้งโลกดีใจกันไปขนาดนั้นครูปฏิบัติต้องหันเหยโถทั้งความฉลาดมาแก้ทั้งโง่ทั้งโตนอย่าเอาความโง่เข้าไปแก้ความโง่เนี่ยมันจะเป็นการ 1 ก็ 1 เป็น 2 ขึ้นมาความโง่ดั้งเดิมก็มีอยู่แล้วความความโง่อันดับต่อไปก็เพิ่มขึ้นอีกเป็น 2 เป็น 3 การสมตั้งแต่ความโง่ความ เอาบาปัญญาความที่เกียดที่ท่านมันยังทำถึงยังลุงมันเต็มไปด้วยความโกรธนั้นตัวของหรอกทั้งหมดอ๋อพรรณมาที่ไหนจะเข้าแกงสระออกพึดนึงมันก็เลยเพราะฉะนั้นความวิเศษจะมีอยู่ที่ไหนถ้ากล่าวก่อนว่าความวิเศษที่โทษอะไรก็เกิดขึ้นกับเอ่อลักษณะที่กล่าวเรานี้พัฒนาความวิเศษที่ท่านซึ่งมีอยู่ฝังอยู่ในหัวใจของบุคคลนะถ้าท่านพิจารณาให้ดีอิทธิพลจะเป็นตาขึ้นมาจริงๆมันจะทนไม่ไหวในความเจริญนี้นัก เต็มที่ประมาณคนเกินไปให้พระลุจถึงก็ก็ได้และถึงที่อื่นผู้อื่นพระพุทธเจ้าเกิดตลอดหลายมาแล้วกี่ครั้งในตรัสรู้ให้ปัฏฐะลุภพักนอนอยู่อย่างสะดวกสบายในหอภาวนาแต่ตรัสรู้เพราะความลําบากลําบนที่สุดไม่มีใครจะสู้พระพุทธเจ้าความมาแข่งขันกันแล้วทั่วทั้งโลกจึงเงียบไปเต็มที่หนึ่งนอกจากพระพุทธเจ้าก็เงียบนั่นทําเกิดขึ้นมาด้วยความลําบากลําบนไม่เกิดขึ้นมาด้วยกัน อาจแท้แท้ว่าปฏิบัติตามหลักธรรมขององค์วิชาที่เรียกว่าศีลธาก็ต้องเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรคงอาหารต่อหลักธรรมที่เถาะก็ต้องการบำเพ็ญที่จะทําตนให้ยิ่งขึ้นไปก้าทั้งนั้นตลดปลดแอกจากที่เด็ดทั้งหลายเป็นขั้นทั้งโพดหรืออินไม่ถือเป็นมหาสําคัญสําคัญที่แบบประโยคของความเพียรพยายามทั้งนั้นวันนึงวันนึงที่ผ่านไปผ่านไปได้ความเพียรมากกว่าติดครั้งเราเป็นไง ต้องสงใจในภิกขุนี้กิเลสกังขาอาคคระทั้งหลายเกิดอยู่ที่ชายโรงยามอยากเข้าไปไปเกิดที่อื่นท่านแต่ต้องคุกก็ไม่มีผู้อื่นใดเป็นผู้แบบไม่มีสถานที่ใดเป็นสถานที่แต่นอกจากจะแบบที่สิเพราะหยิบเป็นตัวสมุทัยพูดสั่งสมเด็จขึ้นมาก็เอาพวกบังชาติจึงมีอยู่ในที่นี้ถ้าแค่เอาพระเจ้าอุปติสักแก่ที่ไหนทํามันเอาพระเจ้ากิเลสตัวไหนถากบุญลงไปให้ใครมีข้อจากความขยันหมั่นเพียรความโง่พระเจ้ากิเลสก็ไม่หลุดทําให้เอาคําสํานักรับข้อเข้าไปแก่ เราต้องคิดให้ดีเราบวชมาคนโง่หรือเพื่อความฉลาดเราบวชมาเพื่อความมันแอนลิความขยันมันเพียรถ้าเราก็ทําตัวให้เราให้เป็นแบบเป็นฉบับขึ้นได้เราจะสอนโลกให้มีแบบฉบับได้ยังไงเราเป็นคนไม่ดีจะสอนโลกให้เป็นคนดีไม่ได้เราเป็นคนโง่จะสอนคนโลกให้เป็นคนฉลาดไม่ได้เหมือนกันเราต้องเถียดดูตัวเราให้ก่อนอื่นเราต้องทําตัวให้เราให้ดีให้มีความเสียขนาดนอกก่อนค่าในตัวสิ่งใหญ่ที่เป็นลักษณะของความโง่และเอาด้วยปัญญา อันว่านี้อยู่ทุกแห่งทุกหนมีอยู่ทุกขณะในในเมื่อเรานำมันท้ายไม่นอกเนื้อไปกัดใจตรงนี้เฮาจะปล่อยให้นอนหมูอยู่มันนอนอยู่เหมือนหมูจะรอขึ้นเสียงมันก็ได้หากความฉลาดมันมีวันมันค่ําจะตอดลําตายตายขึ้นบ่กล่าวอุบาลนิธิผุดตนต้องทําอย่างนี้แต่การกัดอันนี้มันน่ะหาจะลืมเวลากัดขั้นทั้งหลายแต่แสดงอุบาลนิธิที่จะผุดพรมานตนให้ทุกท่านที่ได้อยู่ในฟังแล้วนําไปพิจารณา จะไถ่ดับแก่นิสิตคนละมันตัวอย่างรับประโยชน์ขึ้นมาเท่าที่ควรจะอุบัติฤทธิ์ที่คนทําได้เท่านั้นพยายามสั่งสมพยายามค้นฝึกให้เป็นไปทุกวันทุกวันสิ่งเล็กๆที่ประสมกันเข้าโดยลําดับตามมานั้นแลจะกลายถึงของใหญ่โตขึ้นมาถ้าปัญญาที่เล็กๆก็จะมากปัญญาที่ยังอ่อนก็จะคลาดที่เป็นปัญญาแข็งขึ้นมาพฤติที่อ่อนก็จะพฤติที่คราขึ้นมา นี่เป็นปัญหากูของคนที่มีความขยันหมั่นเพียรตัวคือคนทายความคิดคําอ่านแต่ไม่กลัวสําหรับหมูที่จะรอขึ้นเสียงผู้ใดปฏิบัติเป็นลักษณะในลักษณะของหมูตัวขึ้นเสียงแนวที่เลิศนอนทับทิศะในวันนั้นค่ํานอนทับคอในวันย่างค่ําคืนย่างลูกไม่ยอมให้ตื่นได้ลูกนั้นก็ขึ้นเสียงเท่านั้นหวังถ้าต้องการเป็นขึ้นในขั้นตอนขึ้นเสียงมันขึ้นไปไหน ขึ้นแก่คุ้มธรรมถ้าขึ้นขึ้นธรรมก็ฆ่าตามบันไดที่พระเจ้าสอนมามรรค 6 มีสมาธิธิคิดให้ดีทุก 1 ทุกอย่างก่อนจะทําจะพูดอะไรพานก็มาคิดให้ดีสมาธิสังข์ 6 สมาธิธิสมาสังข์ 6 ดําเนินให้ถูกต้องหลักการคือเป็นขณะตํารังยานะมัตให้การกระทําของพระเป็นการกระทําที่ทําอันเสมอในกรอบ รับทํานี้ทําบอกอย่าให้น้องอย่างแบบนี้ตอนเลี้ยงชีพก็เหมือนกันคนที่ไปคนได้มาได้ทํามือผิดไม่ผิดไม่รับไม่ขโมยแค่ให้ทําในความรู้สึกแรงคุณใจรับเนี่ยเรียนก็เรียนให้ท้อเพียงในความผิดอาการทําร้ายๆแล้วเนี่ยก็เรียกท่าน <Yeah. S 1> ธรรมาคันทีอธิษฐานเราเรียนมาเองจะเข้ากันความความเพียงที่อยากนี่ธรรมาคติตั้งลงที่กายธรรมาคติจะปรากฏขึ้นมาในจิตนี่แหละทางทางของพระพุทธเจ้าตรงนี้พระสงฆ์หมวกกันข้ามภาษาพระคันที ทำไมหมูก็เกลียดไอ้ตัวเฉยๆใจไม่คิดได้อ่านได้ไตรได้ต้องอะไรเอ่ยนั่นล่ะอ๋อหมูก็เสียงวันหนึ่งวันหนึ่งปัญญาสัญญัติออกมาพอเป็นเครื่องสนุดใจคนทั้งอย่างไม่มีเพราะไม่สนใจจักคิดนี่เรียกว่าลักษณะของหมูก็เสียงไม่ได้หมายถึงผู้ปฏิบัติกลายเป็นหมูแล้วจริงๆนะขึ้นเสียงให้เค้ายำลงไปอย่างนั้นนี่เป็นข้อเท็จจริงต่างหากไว้นําไปพิจารณาแค่แค่ข้อนึงเพียรสภาพแห่งจิตที่ เป็นเป็นหมูกลัวงโง่กลัวไม่คิดไปอ่านอะไรเลยนั่นให้กลายเป็นผู้ฉลาดขึ้นมาผสมกับว่าทรงธรรมะของพระพุทธเจ้าในหลักของธรรมที่กล่าวว่าสมาธิที่สามารถทั้งละโปกเป็นถึงสมาธิก็ได้มีผู้ใดเป็นผู้เป็นเจ้าของสมาธิที่กลางนอกจากผู้ปฏิบัติเท่านั้นผมขอให้ทุกท่านลำเลิศปฏิบัติเลิศปฏิบัติการจะเกี่ยวกับตาอย่าไปสงสัย มันมีผู้อื่นใดที่เกิดอยากจะตายแทนเรานอกสวงเราเป็นผู้เกิดอยากจะตายมาตลอดกับตลอดกันเป็นทางถึงบัดนี้ไม่มีผู้อื่นผู้ใดที่ทํางานแทนกันได้คือเรื่องเกิดอยากจะตายขอให้ข้ามไว้อันอื่นแล้วฝังลงให้ลึกถึงดับแล้วท่านว่าที่จะเป็นไปโดยลําดับบัดนั้นก็คือเราผู้นี้เท่านั้นไม่มีผู้จะทําแทนได้แค่เดียวกันไหนเราจะเป็นผู้มีความขยันเกิดขยันตายขยันแบบหามทุกข์มีความทะหารประเสริฐนี้ไม่ให้ทั่งนอกจากขยันเรื่อง กองเครื่องใหญ่ทั้ง 3-4 กองออกจากกิจการให้บริษัททั้งนั้นเนื่องความเกิดความตายนั้นแต่หมดปัญหาไปทั้งทีทั้งบริษัทหมดเกลี้ยงแล้วผมขอดุษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์เป็นกรณีไปละ